วันนี้พวกเรากาได้มีเวลาว่าจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้มาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมที่มีประโยชน์หลายประการประโยชน์อันแรกคือจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนหรืวสอง ถ้าทำที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนพอเราได้ฟังอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดำับ 3. จะกำจัดความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ 4. จะทำให้มีปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิและห้า จะทำให้จิตใจผ่องใสสงบมีความสุขนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมการจะฟังให้เกิดประโยชน์เราจำเป็นจะต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบเพราะถ้ากายวาจาใจไม่สงบธรรมจะไม่สามารถเข้าสู่ ใจได้ เ, ออเช่นถ้าเรานั่งทาอะไรทำอะไร เ, ออเวลาฟังทำเราไปทำอะไรต่างๆพร้อมกันออหรือไปพูดคุยกัน อ, อ, อย่างนี้เรียกว่ากายไม่สงบวาจาไม่สงบออพอเราทำอะไรใจเราก็ต้องไปจดจ่ออยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ออถึงแม้เราจะได้ยินเสียง เราจะไม่ได้ตั้งใจฟังเราก็จะไม่ขับไม่เข้าใจเช่นเดียวกับการพูดจาพูดคุยกันเวลาที่เราพูดคุยกันฟังทมไปใจเราจะอยู่ที่การพูดคุยกันเสียงธรรมเข้ามาหูซ้ายก็จะออกหูขวาไปเพราะไม่มีใจไม่มี สติเดึงเข้าไปข้างในใจเช่นเดียวกับใจที่ไม่สงบใจที่ไม่สงบก็คือใจที่มีความคิดปรุงแต่งเวลาฟังธรรมใจเราอย่าไปคิดปรุงแต่งถึงเรื่องต่างๆถ้าเราคิดปรุงแต่งถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ธรรมที่เราได้ยินก็จะไม่เข้าไปใน ใ, นใจเช่นเดียวกัน จะเข้าออหูซ้ายออกหูขวาไฟฟังทมแบบนี้เขาเรียกว่าฟังแบบทับพีในหม้ อ, อกแกงทับพีในหม้ อ, อกแกงถึงแม้จะอยู่ในหม้ อ, อกแกงนานมากน้อยเพียงร่ก็ตามทับพีจะไม่รู้รสของแกงว่าเป็นรสชนิดใดแต่ถ้าฟังด้วยกายวาจาใจที่สมงกื้อร่างกายก็ไม่ทาอะไร นั่งเฉยๆนั่งนิ่งๆวาจาก็ไม่พูดคุยกันใจก็ไม่คิดอะไรใจก็จดจ่ออยู่กับเสียงธรรมอยู่กับการพิจารณาธรรมอันนี้ทาทุกบททุกบาทก็จะเข้าสู่ใจเข้าสู่ใจก็จะทำให้เกิดผลที่เราพึงจะได้รับ จะได้ยินได้ฟังทำที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนทำที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับจะกำจัดความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้จะทำให้มีปัญญามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องมีความสงบ มีจิตที่ผ่องใสมีความสุขฟังแบบนี้เรียกว่าฟังแบบลิ้นกับแกงลิ้นนี้พอสัมผัสกับแกงเพียงหยดเดียวก็จะรู้รสชาติของแกงทันทีว่าเป็นแกงเผ็ดหรือเป็นแกงจืดว่าเป็นของของหวานหรือของเข็มนี่คือลักษณะของการฟังเทศฟังธรรม เพื่อให้เกิดคุณประโยชน์อย่างสูงสุดต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบในสมัยพระพุทธการสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสอนครั้งแรกทรงแสดงธรรมให้แก่พระปัญจวัคคีพระปัญจวัคคีนี้เป็นผู้ที่ได้บวชได้รักษาศีลและได้ทาใจให้สงบ มีสมาธิมีฌานก็แสดงว่าเป็นผู้ที่มีสงบกายสงบวาจาและสงบใจเวลาฟังธรรมใจก็เลยจดจ่ออยู่กับการฟังธรรมเพียงอย่างเดียวพอพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระอริยสัจสี่ทรงแสดงมรรคแปดทรงแสดงไตรักษานิจังทุกขังอนัตตา หนึ่งในผู้ฟังทั้งห้าก็บรรลุทำขั้นที่หนึ่งขึ้นมาบรรลุเป็นพระโสดาบันคือพระอนญจญจโกฏิทันยามพอใจวาจาใจของท่านสงบใจของท่านพร้อมที่จะรับธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเข้าไปสู่ในใจนั่นเองพอธรรมเข้าไปสู่ในใจธรรมที่เป็นเหมือนแสงสว่างก็ทําให้ใจสว่างสวยัย ดับความมืดคือโมหะอาวิชชาที่ปกคุมใจอยู่ทำให้มองไม่เห็นอริยสัจสี่ทำให้ไม่เห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาทำให้ไม่เห็นมรรคแปดนี่คือประโยชน์ที่จะเกิดจากการฟังเทศฟังธรรมด้วยกายวาจาใจที่สงบ วันนี้เราก็จะมาได้ยินได้ฟังทำที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนหรือถ้าเราเคยได้ยินได้ฟังแล้วเราจะได้เข้าใจดีขึ้นไปตามลา ด, ำดำับสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินหรือได้ยินแล้วคือสิ่งที่หายากในโลกนี้มีอยู่สีประการด้วยกัน คือ 1. การเกิดขึ้นการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่เป็นของยากอย่างยิ่ง 2. การปรากฏของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็เป็นการปรากฏที่ยากอย่างยิ่ง 3. การมีเวลามีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมก็เป็นของยากและสการได้ปฏิบัติธรรม ก็เป็นของยากถ้าเราได้พบกับของยากทั้ง4ี่ประการก็จะทําให้เราได้รับกับของที่หายากที่สุดในโลกนี้ก็คือมรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจะได้มรรคผลนิพพานจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด จำเป็นจะต้องมีของที่หายากอยู่สี่ประการด้วยกันคือหนึ่งการได้มาเกิดเป็นมนุษย์สองการปรากฏของพระพุทธเจ้าสาการได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าและสการได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าได้ของยากทั้งสี่ประการนี้แล้ว ของที่หายากที่สุดในโลกนี้ที่มีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆนั้นก็จะเป็นของเราขึ้นมา ท, าทันทีเราก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันบรรลุมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะสำรวจดูว่าเราได้พบกับของอยากนี้กี่ประการแล้วและควรที่จะสางหาหรือเพิ่มเติมสิ่งที่เรายังขาดอยู่ประการแรกการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ถือว่าเป็นของยากพวกเราทุกคนที่นั่งฟังเทศฟังธรรมอยู่นี้เราเป็นมนุษย์กันได้เราได้มาเป็นมนุษย์กันแล้วเราได้ของยากมาชิน้นหนึ่งแล้วเพราะว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์กับการมาเกิดเป็นเดรัจฉ า, านนี้มีความยากง่ายต่างกันเดรัจฉ า, านเขาออกลูกทีเป็นฝูงเป็นคอบ แต่มนุษย์นี่ออกทีละคนแล้วก็บางทีก็คุมกําเนิดกันบางทีก็ไม่ออกลูกกันเลยยหรือว่าออกแล้วก็ทําแท้งกันนี่คือความยากของการมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเปรียบเทียบกับการมาเกิดเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานนี่เขา มีจำนวนมากกว่าเราในป่าเนี่ยถ้านับจำนวนสัตว์เดรัจฉานต่างๆนี่มีมากกว่ามนุษย์ที่พวกเรามาอยู่มาฟังเทศกันตรงนี้มีมนุษย์อยู่ร้อยกว่าคนแต่มีมดมีมแมลงมีจิ้งจบจิ้งเหลนมีตุกแก่มีดิงมีข้าง มีงูมีนกมีกามีสารพัด ส, สัตว์นจำนวนนี่มากมายกว่าจำนวนของมนุษย์กันนี่แหละนี่แะคือความยากของการมาเกิดเป็นมนุษย์อันนี้ถ้าเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ถือว่าเราโชคดีเราได้ของที่หายากหนึ่งชิ้นแล้ว ของที่หายากชิ้นที่สองก็คือการมาเกิดมาตัสรู้การปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระพุทธเจ้านี้ไม่ได้มาเกิดบ่อยๆเหมือนกับการมาเกิดเป็นมนุษย์การมนุษย์นี้ถึงแม้ว่าจะเกิดยากแต่การมาเกิดเป็นการเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านี้ยิ่งยากกว่าหลายล้านเท่า ไหนจะต้องมาเป็นมนุษย์ไหนจะต้องมาบำเพ็ญมาตัดสรู้พระอริยสัจสีมาตัดสเลิมรักแปดมาตัดสรู้ อ, อนิจจังทุกขังอนัตตา <c oughs> เขาเปรียบเทียบว่าเวลาที่แต่ละพระ พ, พ, พ, พุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้จะมาเกิดกันแต่ละครั้งนี้ต้องใช้เวลาเป็นกลับเป็นกัน แล้วเขาก็เปรียบเทียบว่าเวลาหนึ่งกับนี้เป็นอย่างไรก็ <c oughs> คือเวลาที่มีที่เราต้องทุกร้อยปีเอาภาพไปรูปเขาพระสุเมนสักหนึ่งครั้งทุกร้อยปีมารูปเขาพระสุเมรนหนึ่งครั้งให้รูปไปอย่างนี้จนกว่าเขาพระสุเมนจะเสกหายไปหมด อันนั้นะเขาเรียกว่าจะได้เวลาหนึ่งกับคิดดูซิว่าเอาผ้าไปรูปครั้งหนึ่งมันจะเสร็ไปทักเท่าไหร่แล้วต้องรูปสักกี่ครั้งด้วยกันบุกเขาพสุเนถึงจะราบหายไปหมดนี่คือระยะเวลาหนึ่งกับถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏให้เป็น ลมโพล่มสายแก่สัตว์โลกสักครั้งหนึ่งนี่คือความยากชิ้นที่สองที่พวกเราได้แล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พบกับตัวพระพุทธเจ้าเลยแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไว้แล้วว่าตัวพระพุทธเจ้านี้มีตัวแทนตัวแทนก็คือพระธรรมมวีในที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ชอบแล้ว ที่มีจาเล็ก้ในในพระไตยปิดกนี้จะเป็นศาสดาจะเป็นอาจารย์เป็นครูเป็นพระพุทธเจ้าแทนตัวพระพุทธเจ้าอย่างนั้นถ้าเราได้มาได้ยินได้ฟังธรรมได้ศึกษาได้พบกับธรรมะได้พบกับพระพุทธศาสนาก็เท่ากับว่าเราได้พบกับพระพุทธเจ้า อันนี้เป็นของยากประการที่สองที่เราได้มามีโอกาสได้มาพบ เ, เมื่อเรามาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็ต้องมาพบตอนที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเรามาพบตอนที่เราเป็นเดรัจฉานเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์ เราก็จะไม่ได้พบกับสิ่งที่หายากข้อที่สมและข้อที่สคือการได้ศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าและได้ปฏิบัติตามคําสอนเช่นเนี่ยถ้าเรามาเกิดเป็นนกเป็นสัตว์ที่อยู่บนเขานี้ถึงแม้ว่าจะมีการแสดงธรรมเขาก็ไม่สามารถที่จะมาศึกษามาปฏิบัติธรรมได้ เพราะเขาฟังไม่เข้าใจภาษาของมนุษย์นี้เขาฟังไม่รู้เรื่องอันนี้ต้องมาเป็นมนุษย์เท่านั้นถึงจะฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมได้แต่การจะมาฟังเทศมาฟังธรรมได้ก็ต้องมีศรัทธาอีกคือพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้ว มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วแต่ถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีความยินดีต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติธรรมก็จะไม่ได้ทำสิ่งที่หายากอีกสองข้อคือการศึกษาการปฏิบัติผู้ที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วนั้น จำเป็นจะต้องมีศรัทธามีความเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะหาเวลามาศึกษามาปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถ้าไม่มีศรัทธาก็จะไม่สนใจเช่นเมืองไทยเรานี่เป็นเมืองพุทธมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ แต่คนไทยเราที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศธ า, าสนาอย่างแท้จริงนั้นมีมากน้อยเพียงไรืรูที่การปฏิบัติก็รู้อยู่ว่าเชื่อฟังคำสอนหรือไม่ศึกษาฟังศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ ถ้าเป็นพุทธแท้นี้อย่างน้อยต้องถือพระรัตนไตรพื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณเป็นอาจารย์เชื่อฟังคำสอนของพระรัตนตรเพียงอย่างเดียวคำสอนของพระรัตนตรก็สอนให้เชื่อกฎแห่งกรรมสอนให้เชื่อบุญเชื่อบาปทำบุญแล้วจะได้ความสุขความเจริญ ทำบาปแล้วจะได้ความทุกข์ความเสียหายมีใครที่เชื่อกฎแห่งกรรมกันบ้างที่เป็นชาวพุทธถ้าเป็นชาวพุทธและเชื่อพระรัทนนาตายเชื่อกฎแห่งกรรมก็จะทุกคนก็จะต้องรักษาศีลห้ากันเป็นอย่างต่ำแล้วก็จะทำบุญกันเป็นประจำเป็นปกติละเว้นอบายามุกต่างๆ เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธแต่อบายมุกนี้มีเต็มบ้านเต็มเมืองมีคนทําถิดสศีลทาบาปเต็มบ้านเต็มเมืองมีคนทําบุญมีมากพอสมควรแต่ไม่มากเท่ากับคนที่ทําบาปไม่มากเท่ากับคนที่เสกอบายมุกมีแสดงว่าไม่มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา อย่างแท้จริงมีศรัทธาเพียงแต่กราบไ่ว้เท่านั้นคือถ้าไปวัดก็จะไปจุดธูปเทียนกราบไ่ว้พระพุทธรูปแล้วก็ไปขอให้ได้ดิบได้ดีให้มีความสุขความเจริญอันนี้ก็ถัดหลักกับคำสอนของพระรัตนตรยแล้ว อรัานาตนใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนให้เราทำดีถึงจะได้ดีขอไม่ได้ขอให้ใหญ่ขอให้เป็นใหญ่เป็นโตขอให้ร่ำให้รวยขอให้เจริญนุ่งเรียงก้าวหน้านี่ขอไม่ได้าศาสนาพุทธนี้เป็นาศาสนาธรรมไม่ใช่าศาสนาขอต้องทำอยากจะได้อะไรก็ต้องทำ สิ่งที่เราอยากได้สาเหตุที่จะทำให้เกิดสิ่งที่เราอยากได้อยาการ่ำรวยก็ต้องขยันทามาหากินหาเงินหาทองแล้วก็ต้องประหยัดต้องอดออมต้องไม่ใช้เงินแบบสู่รุยเสื่อไล่เซือแบบไม่จำเป็นเซือแบบฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือเหอเหอต้องรู้จักเก็บรู้จักรักษา รู้จักหาหาให้มากกว่าใช้แล้วรับรองได้ว่าจะร่ำรวยได้อย่างแน่นอนถ้าอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะก็ต้องไปศึกษาเล่าเรียนหาวิชาความรู้ตั้งใจเรียนหนังสือให้จบสูงสูงชั้นสูงสูงเพราะเมื่อมีการศึกษามีวิชาความรู้ ก็สามารถนำเอาไปใช้ในการาทามาหากินทำอะไรต่างๆได้ทำแล้วก็จะร่ำรวยขึ้นมาทำแล้วก็จะเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาได้ดูประวัติของคนที่ร่ารวยของคนที่เป็นใหญ่เป็นโตเขาไปจุดทูปเทียนที่โบสถ์ขอให้ร่าให้รวยขอให้เป็นใหญ่เป็นโตหรือเปล่า หรือว่าเขามีความขยันหมั่นเพียรในการทำงานทำการในการศึกษาหาความรู้ในการรักษาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เขาหามาได้ให้อยู่กับเขาไปนานๆ น, น, นี่คือเหตุที่จะทำให้เกิดผลศาสนาสอนเหตุเหตุก็คือการกระทาการกระทาก็คือกรรมนี้เอง กฎแห่งกรรมให้เราทำดีให้เราละ ก, การกระทำบาปแล้วชีวิตของเรานี้จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นไปตามลำดับนี่คือเรื่องของการมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาเจอ พระพุทธศาสนาแนละ้วแต่ถ้าไม่มีศรัทธาก็จะไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนาประโยชน์อันสูงสุดที่พิงจะได้รับจากพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีจะไม่ได้บัมลุมักผล น, ผนิพพานจะไม่ได้หลุดพ้นจากวัฏจัแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปอยู่เรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้ามีศรัทธาก็จะนำให้ไปสู่ของที่หายากประการที่สามก็คือการได้ฟังเทศฟังธรรมเพราะการฟังเทศฟังธรรมนี้ก็ต้องมีทาให้ฟัง ส่วนใหญ่ถ้าเราอยู่นอกวัดนี้เราจะไม่ค่อยมีธรรมะฟังกันถึงแม้จะมีก็ไม่สนใจกันถ้าอยากจะฟังเทศน์ฟังธรรมก็ต้องไปวัดกันและวัดสมัยนี้ก็มีวัดที่มีธรรมกับวัดที่ไม่มีธรรมไปบางวัดเขาก็ไม่มีการแสดงธรรมไม่มีการสั่งสอนธรรมเขามีแต่พิธีกรรมต่างๆมีการสวด วิธีต่างๆเพื่อสะดอกเคราะ์เพื่อเผาศพ<ม>เพื่อเป็นสิริมงคลสุดแท้แต่ความต้องการแต่ก็จะไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมต้องไปวัดที่มีการสั่งสอนมีการปฏิบัติธรรมถึงจะได้ยินได้ฟังธรรมกันพอได้ยินได้ฟังธรรมก็จะได้รู้ว่า จะต้องทำอะไรถึงจะทำให้ชีวิตของตนดีขึ้นไปตามลาดับเพราะชีวิตของพวกเราตอนที่เราเข้าพบกับพระพุทธศาสนานี้ยังเป็นชีวิตที่พายนจอนอยู่ยังเป็นชีวิตที่ยังต้องท่องเที่ยวอยู่ในภพต่างๆอยู่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเราเป็น นักท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตแต่พอเราได้มาฟังเทศฟังธรรมเราถึงจะรู้ความจริงของเราว่าเราเป็นอย่างไรกันเรากำลังเป็นผู้ท่องเที่ยวผู้เดินทางแสวงหาบ้านที่แท้จริงของเราก็คือพระนิพพานแต่เราไม่รู้ว่า วิธีที่จะให้เราได้ไปถึงบ้านที่แท้จริงของเรนี้เป็นอย่างไรแต้บ้านที่แท้จริงของเราเป็นอย่างไรเราก็ไม่รู้พอเราได้ยินว่าไม่ต้องกลับมาเกิดแทนที่เราจะดีใจเรากลับเสียใจสะเพราะเรายังคิดว่าการมาเกิดนี้ทำให้เราได้มีความสุขกัน ก็ถ้าเราไม่ได้มาเกิดเราก็จะไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นไปดูไปฟังอะไรกันไม่ได้บางคนฟังว่าพอไปนิพพานแล้วจะไม่ได้กลับมาเกิดแทนที่จะดีใจกลับกลัวซิไม่อยากจะไปนิพพานยังเพราะความหลงที่คิดว่าการหาความสุขจากการมีร่างกายนี้เป็นการหาความสุขกัน นักปราศคนฉลาดนี่กับเห็นว่าการมีร่างกายการมาเกิดนี่มันเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจพราเมื่อมาเกิดแล้วก็ต้องมีการดิ่นรุนต่อสู้หาเงินหาทองเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำมาหากินต่างๆเหนื่อยยากทุกยากลำบากแล้วก็ยังต้องมาหา ต้องมาเจอกับความแก่ความเจ็บความตายต้องมาเจอกับการทัดท่าจากสิ่งที่เรารักจากบุคคลที่เรารักต้องมาเจอกับสภาพที่เราไม่รักเราไม่ชอบเจอกับเหตุการณ์ที่เราไม่รักเราไม่ชอบอันนี้เป็นผลพลอยได้ที่เกิดจากการมาเกิดใช่อยู่มาเกิดแล้วเราก็จะได้เที่ยวได้กินได้ดื่มได้เล่นได้ หาความสุขต่างๆได้แต่มันก็มีความทุกข์ตามมาด้วยและเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเราก็จะมีแต่ความทุกข์เพราะเราจะไม่สามารถหาความสุขต่างๆจากร่างกายได้อีกต่อไปอันนี้เรามองเพียงครึ่งเดียวถ้าเรามองเพียงครึ่งเดียวเราก็จะเห็นว่าการมาเกิดนี้ดี มาเกิดแล้วจะได้หาความสุขกันได้แต่ถ้ามองอีกครึ่งหนึ่งก็จะเห็นว่ามีแต่ความทุกข์ต่างๆมากมายกายกอง ไ, ได้ความสุขกับจะไม่อาจจะไม่คุ้มกับความทุกข์ที่ได้มาคนฉลาดนี้จะเห็นว่าการมาเกิดนี่ขาดทุนคือได้ได้น้อยกวเสียได้ความสุข น้อยกว่าได้ความทุกข์การไม่มาเกิดนี่เรียกว่ากรรมไรเพราะจะได้ความสุขเพียงอย่างเดียวจะได้บาร ม, มีสุขปรมังสุขขังนิบานังปามังสุขขังการได้ถึงได้ไปถึงพระนิพพานนี้จะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพลาดจากกันอีกต่อไปทําให้เราไม่ต้องทุกข์กับ เหตุการ์ต่างๆเหล่านี้มีแต่บัมมัสุขคือความสงบตลอดเวลาถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมเราก็อาจจะไม่เข้าใจหรือฟังครั้งแรกก็อาจจะไม่เข้าใจจำเป็นที่จะต้องฟังบ่อยๆแล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติถ้าเราเอาไปปฏิบัติได้เราได้รับผลจากการปฏิบัติเราจะเข้าใจว่าทำไม การไม่กลับมาเกิดนี่ดีกว่าการกลับมาเกิดอันนี้เราก็ต้องอมีศรัทธาในการที่เราจะเหมือนฟังเทศฟังธรรมเมื่อเหมือนฟังเทศฟังธรรมแล้ว เ, เกิดความเข้าใจแล้วรู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรเราต้องทำกรรมดีละกรรมชั่วแล้วก็มาทำใจให้สงบกรรมจัด สิ่งที่ทำให้ใจวุ่นวายให้หมดไปจากใจพอเรารู้เราก็ต้องหาเวลามาปฏิบัติการมาปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่เป็นของง่ายสำหรับคาว่าผู้ครองเรือนปีหนึ่งนี้จะได้มาปฏิบัติกันสักกีวันกันถ้าปกติปฏิบัติที่บ้านก็พอหอมปากหอมคอ วันละชั่วโมงสองชั่วโมงนี่ก็เถื่อว่ามากแล้วแต่ในทางปฏิบัตินี้ยังเถื่อว่าน้อยมากเพราะการที่จะปฏิบัติเพื่อให้ได้มรรคผลนิพพานนี้จำเป็นจะต้องปฏิบัติตลอดเวลาปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับเนอันนี้จึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติจริงการจะหาเวลามาปฏิบัติจิงยาก พอจะต้องมาอยู่แบบนักบวชกันหรือมาบวชกันถึงจะได้มีเวลาปฏิบัติกันอย่างเข้มข้นถ้าเราได้เวลามีเวลามาปฏิบัติอย่างเข้มข้นโอกาสที่เราจะบรรลุมรรคผลนิพพานนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไว้แล้วว่าเจ็ดวันก็ได้สำหรับบางคนถ้าเจ็ดวันไม่ได้ก็เจดเดือน ถ้าเจดเดือนไม่ได้ก็ไม่เกินเจ็ปีเป็นอย่างมากจะได้บรรลุมรคผลนิพพานอย่างแน่นอนแต่จะต้องหาทมในสิ่งที่หายากคือการมาบวชการมาปฏิบัติธรรมนี่คือสิ่งที่หายากสี่ประการด้วยกันถ้าเราได้ครบทั้งสี่ประการนี้แล้วรับรองได้ว่าเราจะได้มรคผลแน่เพาะมรคผลนิพพานอย่างแน่นอน พอผู้ที่เขาได้สิ่งที่หายากสี่ประการนี้แล้วเช่นหลวงปู่มั่นแล้วลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทั้งหลายครูบาอาจารย์สายวัดป่าทั้งหลายที่เราไปกราบไหว้บูชาเคารพนับถือเวลาท่านตายไปกระดูกหรืออัฐิของท่านได้กลายเป็นพระาธาตุไปหมดแล้วแสดงว่าท่านได้บรรลุมร่งผลนิพพานแล้ว เพราะท่านได้พบกับสิ่งที่หายากทั้งสี่ประการนั่นเองท่านได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและได้ออกบวชได้ปฏิบัติจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมานี่คือสิ่งที่หายาก คือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ต้องหาต้องมีสิ่งที่หายากสี่ประการคือการปรากฏของพระพุทธเจ้าของพระพุทธศาสนาการได้มาเกิดเป็นมนุษย์การได้มีโอกาสมีเวลามาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและการได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า จะได้ก็ต้องสละความสุขทางโลกไปให้หมดความสุขที่เรากําลังมีกันอยู่เพราะถ้าเราไม่สละเราก็จะไม่มีเวลามาศึกษามาปฏิบัติเต็มรูปแบบต้องมีเวลามาบวชเรียนมาปฏิบัติการบวชก็คือการเรียนการศึกษาและการปฏิบัติเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเอง นี่คือเรื่องของสิ่งที่หายาสี่ประการตอนนี้พวกเราก็อย่างน้อยก็ได้สองประการแล้วคือได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถ้ากลับมาเกิดคราวหน้าอาจจะไม่มีพระพุทธศาสนาหลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วก็ได้เพราะพระพุทธศาสนา แต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะมีอายุขัยเช่นสมัยของพุทธศาสนานี้ก็จะอยู่ได้ประมาณ 5,000 ปีนี่ก็ผ่านมาครึ่งหนึ่งแล้ว 2,560 กว่าปีถ้าเราตายไปนี่เรากาจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะอีกนานหรือไม่นาน เพราะว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นของยากเหมือนกับการที่จะไปสอบเอ็นท่านเข้ามาหาหลัยนี่เหล็กทุกคนที่จบม .6 นี่ไม่ได้หมายความว่าจะเข้ามาหาหลัยได้ทุกคนจะต้องรอจังหวะรอโอกาสปีนี้ไม่ได้ก็อาจจะต้องรอปีหน้าหรือต้องไปหาที่อื่นเรียนยาการที่เรา จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งนี้ละอาจจะต้องไปเข้าคิวยาวก็ได้หรือไปสอบแข่งขันกันก็ได้ก็อาจจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งก็อาจจะใช้เวลาอันยาวนานเพราะเรายังต้องไปใช้บาปบ้างหรือไปใช้บุญบ้างแล้วต้องมารอคิวที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ดังนั้นเราได้สองอย่างที่หายากแล้ว คือได้พบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับ ก, บการปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าไม่มีการปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้านี้ก็ต้องเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นพระประเจกพพุทธเจ้าวกเรราก็จะไไม่ได้ับประโยชน์เ พ, พรา ะ, ะ, ะพรระะปจเกพพุทธเจ้านี้ท่านจะไม่ประกาศพระธรรมคําสอน ถ้าไม่ประกาศพระธรรมคำสอ น, นก็<บ>จะไม่มีผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติผู้บรรลุเป็นพระอริยสงสาวกกแบบ็จะไม่มีพระรัตนตรเมื่อไม่มีพระรัตนตรก็จะไม่มีพระพุทธศ า, า, า, าสนาศาสน า, ส า, สนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ที่มีพระพุทธศ า, าสนาอยู่มาได้ยาวนานก็เพราะว่ามีพระรัตนตรมีพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ธรรม เมื่อสองตัดสัรู้แล้วะประกาศพระธรรมคำสอนอก็มีพระพุทธพระธรรมแล้วพอมีผู้มีศรัทธาฟังฟังธรรมศึกษาธรรมแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็จะบรรลุธรรมขึ้นมาเช่นการแสดงการประกาศธรรมมทเธศาสนาข้างแรกของพระพุทธเจ้ามีนักศึกษามีผู้สนใจฟังอยู่ห้าคน แล้วหนึ่งนห้าคนนั้นก็บรรลุเป็นพระอวิยะสงสาวกคนแรกของพระพุทธศาสนาขึ้นมาบรรลุอ้าวิยะมรรคผลขั้นที่หนึ่งคือท่านโสดาบันขึ้นมาอันนี้ก็ทําให้มีพระรัตนไตรคบองค์มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คบองเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็จะมีการเผยแพร่พระศาสนาไปได้อย่างกว้าง กว้างขวางก็จะมีผู้มาศึกษามาปฏิบัติมาบรรลุ ก, กันแล้วก็มาช่วยเผยแผ่ภาษาศาสนากันไปเป็นทอดๆจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะว่ามีการศึกษาพระธรรมคําสอนมีการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนมีการบรรลุมรรคผล น, ผนิพพานที่เกิดจากการปฏิบัติพ อ, อบรรลุแล้วก็จะมีความสามารถ ที่จะเอาทมแท้นี้มาเผยแพร่สั่งสอนให้แก่ผู้อืเป็นทอดๆดไปแต่ถ้ามีแต่การศึกษาแต่ไม่มีการปฏิบัติการเอาทมที่ได้ศึกษามาเผยแพร่สั่งสอนนี้จะไม่เป็นทมแท่จะไม่เป็นธรรมที่จะทำให้ผู้ศึกษาสามารถบรรลุธรรมได้เพราะว่าผู้ที่สอนเองก็บรรลุไม่ได้ แล้วจะไปสอนให้ผู้อื่นบนรรลุทําได้อย่างไรดังนั้นชาวพุทธเราต้องระมัดระวังเรื่องการเผยแผ่สั่งสอนอย่าไปคิดว่าการเผยแผ่สั่งสอนธรรมนี้เป็นประโยชน์แต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมแบบไหนใช่การเผยแผ่สั่งสอนธรรมนี้ให้แก่ผู้อื่นเป็นประโยชน์แต่จะต้องเป็นธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติเป็นธรรมที่เกิดจากการบรรลุ ไม่ใช่เป็นธรรมที่เกิดจากการจดจำอ่านมาศึกษามาเพราะยังเป็นธรรมปลอมอยู่เป็นธรรมที่ยังไม่สามารถกําจัดกิเลสตัณหาเป็นธรรมที่ยังไม่สามารถทำให้จิตของผู้ศึกษาบรรลุมรรคผลนิพพานได้จำเป็นจะต้องเอาธรรมที่ได้ศึกษานี้ไปปฏิบัติเพื่อขัดเกลจิตใจเพื่อกําจัดกิเลสตัณหา ความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจก่อนถึงจะกลายเป็นธรรมแท้ขึ้นมาเราจะสามารถนําเอาธรรมแท้นี้มาเผยแผรสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นผู้อื่นเมื่อได้ยินได้ฟังก็จะเกิดศรัทธาและสามารถน้อมเอาไปปฏิบัติถ้ามีการติดขัดมีความไม่เข้าใจก็สามารถมาถามมาแก้ ปัญหามาแก้สิ่งที่ติดขัดได้แต่ถ้าผู้สั่งสอนไม่ได้ปฏิบัติเวลาผู้ฟังสงสัยถามก็จะไม่สามารถตอบคําสงสัยได้เพราะผู้ปฏิบัติเองก็ยังสงสัยผู้สอนเองก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะยังไม่ได้กําจัดจากการปฏิบัติดังนั้นการที่เราจะมีพระพุทธศาสนาเพื่อมา เป็นล่มโพล่มใสให้แก่สัตว์โลกนี้จําเป็นจะต้องมีการศึกษาพราะธรรมคำสอนแล้วเน้อมเอาคําสอนนี้มาปฏิบัติจนบรรลุมากผลนิพพานเมื่อบรรลุแล้วทีนี้ก็จะสามารถสั่งสอนได้อย่างถูกต้องแน่นยั่งแล้วจะทําให้ผู้ที่ศึกษาสามารถนำเอาไปปฏิบัติและบรรลุได้อย่างแน่นอน อันนี้ก็จะเป็นวิธีที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับโลกไปนานๆขอให้พวกเราเข้าใจว่าตัวของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงนี้ไม่ได้อยู่ที่วัดวาอารามไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ไม่ได้อยู่ที่เจดีย์ไม่ได้อยู่ที่ศาลาแต่อยู่ที่การเผยแผ่พระธรรมคำสอน อยู่ที่การศึกษาพระธรรมครําสอนอยู่ที่การปฏิบัติตามพระธรรมครําสอนและอยู่ที่การบรรลุผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามคําสอนถ้าตามได้มีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมมีการเผยแผ่ธรรมตามนั้นศาสนาพุท จ, จะไม่หายไปจากโลกนี้ แั้นเราอย่าไปหลงประเด็นอาจจะไปคิดว่าเราต้องรักษาโบสถ์เจดีให้คงทนไว้แต่พระเองหรือพระพุทธทัสนิกชนกลับไม่สนใจต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติก็จะไม่มีการบรรลุธรรมไม่มีการเผยแผ่ธรรมที่เป็นธรรมแท้พอไม่มีธรรมแท้ต่อไปก็ไม่มีใครรู้จักวิธีปฏิบัติกัน ก็จะมีแต่สร้างโบสร้างเจดีย์กันไปสร้างกุฏิสร้างศาลากันไปแต่ไม่มีใครบรรลุมากผลนิพพานกันถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปาศาสนาก็จะมีแต่เปลือกมีแต่วัดวาอารามแต่ไม่มีผู้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีผู้บรรลุมากผลนิพพานกัน ผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆก็จะไม่เข้าหาพระพุทธศาสนาเพราะเข้าหาแล้วก็ไม่สามารถช่วยให้เขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้แต่ถ้ายังมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุ ธ, ธรรมมีการเผยแผ่ธรรมผู้ที่มีความทุกข์เมื่อเข้าหาพระพุทธศาสนาก็จะได้รับการบําบัดความทุกข์ต่างๆ ให้หมดไปจากใจก็จะทำให้เกิดมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาแล้วก็จะมีการคอยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งทั้งเปลือกและทั้งเนื้อวัดก็สร้างศาลากุติก็มีแต่ก็มีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมควบคู่ไปด้วยอันนี้ถึงจะเรียกว่า การมีศาสนาครบถ้วนสมบูรณ์มีทั้งเปลือกและมีทั้งเนื้อแต่ถ้าจำเป็นจะต้องให้เลือกระหว่างเปลือกกับเนื้อขอให้เราเลือกเนื้อ ก, กันไว้อย่าไปสนใจที่เปลือกถ้าให้เลือกระหว่างการศึกษาการปฏิบัติการบรรลุ ธ, ธรรมกับการไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกุฏิสร้างวัดสร้างวาก็ขอให้เราเลือก การศึกษาการปฏิบัติการบรรลุ ธ, ธรรมเถิดแล้วศาสนาพุทธจะไม่สูญจากโลกนี้ไปถ้าเราเลือกการสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวัดสร้างศาลาสร้างกุฏิแล้วเราไม่สนใจต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติต่อการบรรลุ ธ, ธรรมต่อไปศาสนาก็จะมีแต่เปลือบที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อจิตใจของผู้ที่มีความทุกข์ทั้งหลาย ผู้ที่มีความทุกข์ทั้งหลายนี้ไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยด้วยบุด้วยเจดีด้วยสาราด้วยกุติจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องหลุดพ้นด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจนบรรลุมรรคผลผนิพพานถึงจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้นี่คือเรื่องของสิ่งที่หายาก คือมรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีการปรากฏของพระพุทธเจ้ามีการมาเกิดผู้ที่ปฏิบัติก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องมีศรัทธาที่จะศึกษาพราะธรรมคำสอนแล้วก็ต้องมีเวลามีความกล้าหาญที่จะเสียสละความสุขทางโลกไปเพื่อออกบวชเพื่อที่จะได้ปฏิบัติธรรมได้อย่างเข้มข้น ได้อย่างเป็นที่ถึงจะสามารถหาสิ่งที่หายากได้หายากที่สุดในโลกนี้คือมรรคผลผนิพพานการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ก็คือเรื่องของประโยชน์ที่เราได้มารับกันในวันนี้จากการได้ฟังเทศฟังธรรมได้ฟังธรรมที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน สองได้ฟังถ้าเป็นธรรมที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วการได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปสามารถนำให้ไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องได้ต่อไปสามทำให้เรากําจัดความรังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้4ทําให้เรามีปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิ และห้าทำให้จิตใจเราสงบผ่องใสนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมถ้าเราฟังแบบลิ้นกับแกงไม่ได้ฟังแบบทัพพีในหม้ อ, อกแกงดังนนขอฝากเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์นี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรม ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอรอยะถ า, าวาเวหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินงังเปตานังอุปกาปติ อิจิตังปัตถิตังตุมังเคลเเมวะสามิตาโตสะเพปเรนโตสังกปาจันโทปนะวาโสยธามณิจโตรีวาโสยธาสัพพิติโยวิวัจันโตสัพพะโรโววินัสตุ มาเตผวาตวันตราโยสุขีทีขายุโกผวาอาภวะธนสีริษะนิจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลั ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคําถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ไปจนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมพอหลังจากเลิกประชุมแล้วก็ขออนุญาตยุติการถามตอบปัญหาดังนั้นใครอยากจะถามก็เชิญถามได้เรามีไมโครโฟนให้มาพูด อ่านทางไมโครโฟนเพื่อจะได้ยินเสียงทั่วถึงกันถ้ามีปัญหาคำถามทางบ้านหรือคำฝากถามก็อ่านได้เลยคำถามฝากถามนะครับเมื่อนั่งสมาธิเสร็จแล้วสามารถอุทิศบุญให้กับผู้อื่นได้หรือไม่เช่นพ่อแม่ญาติหรือควรแผนไม่ปาแบบทั่วไปคืออุทิศบุญก็ เท่าที่ศึกษามาก็เขาจะพระเจ้าสอนให้อุทิศบุญด้วยการทาทานทาบุญทาทานเช่นถวายสังฆทานใสบาตรแล้วก็อุทิศบุญส่วนแผ่เมตตานี้ก็ต้องแผ่ตอนที่เราพบกันไม่ใช่แผ่ตอนที่เรานั่งสมาธิคนเดียวตอนนั้นไม่มีใครรับความเมตตาของเราเราต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกั น, นเวลาพบปะใครก็ทักทายเขาถามความ สาทุกข์สุขดิบสบายดีหรออ่านี่ก็เรียกว่าแผ่เมตตาหรือถ้าเขาพูดอะไรไม่ดีทำอะไรไม่ดีก็ให้อภัยเขาอย่าจองเวรจองกรรมกันอ่าถ้าเขาเดือดร้อนช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือเขาไปเรียกว่าแผ่เมตตาไม่ไม่ใช่นั่งสมาธิเสร็จแล้วก็สวดสัพเพสัตตาเวราหงตุนั่นเป็นการสวด เป็นการสอนเป็นการเตือนใจว่าเราต้องไม่มีเวรกรรมกับใครเราต้องมีความเมตตากรุณานะเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่มีอะไรแบ่งปันได้ก็แบ่งปันกันไปอันนี้คือการสวดสวดเพื่อสอนเตือนใจให้เรารู้ว่าถึงเวลาที่เราพบปะกันถึงเวลามีเหตุการณ์ที่จะต้องแผ่ถึงแผ่ไม่ใช่แผ่แบบไม่มีใครรับ แผ่นั่งอยู่แผ่คนเดียวเวลาไปเจอกันก็ไปแยกเขี้ยวใส่กันอย่างนี้ไม่แผ่คาถามจามคุณนันทนานะครับการที่เกิดเป็นมนุษย์แสดงว่ามีบุญในชาติที่แล้วมาระดับหนึ่งอะไรที่ทําให้บางคนมีจิตใจดีใจบุญทําทานมีชีวิตที่ดีแต่บางคนถึงใจร้ายทําแต่ความชั่วเจ้าคะบุญเก่าที่ทําให้เกิดเป็นมนุษย์ ไม่ช่วยเลยหรือคือการมาเกิดเป็นมนุษย์นี้มาทั้งจากที่สูงนละมาจากที่ต่ำคือจิตที่ตายไปแล้วนี่จะต้องไปใช้บุญใช้บาปก่อนแล้วพอบุญหมดบุญไม่สามารถดึงให้อยู่บนสวรรค์ได้บาปไม่สามารถดึงให้อยู่ในอบายได้ก็จะมารอเกิดเป็นมนุษย์ต่ออย่างนั้นมนุษย์นี้จึงมีทั้งคนดีคนชั่ว ปะปนกันเหมือนกับคนที่เขาปล่อยออกจากคุกมากับคนที่กลับมาจากท่องเที่ยวต่างประเทศคนที่กลับมาจากท่องเที่ยวต่างประเทศก็เหมือนคนที่ไปสวรรค์ทําบุญตายไปก็ไปสวรรค์ไปท่องเที่ยวในโลกสวรรค์ส่วนคนที่ปล่อยออกมาจากคุกตารางก็เป็นพวกที่ทําบาปแล้วไปเกิดในบายปพอพ้นบาปแล้วเขาก็ปล่อยให้กลับมาเป็นมนุษย์ คนที่ติดคุกออกจากคุกมาก็ยังติดสายของคนทำบาปอยู่กลับมาแล้วก็อาจจะกลับมาทำบาปเหมือนเดิมเคยป้นเคยที่ก็กลับมาป้นที่เหมือนเดิมเคยค้ายาเสพติดออกมาจากคุกก็กลับมาค้ายาเสพติดเหมือนเดิมส่วนคนที่ไปท่องเที่ยวต่างประเทศมาก็เป็นคนขยันทํางานหาเงินหาทอง ไม่ทำผิดกฎหมายเขากลับมาจากท่องเที่ยวเขาก็มาทำงานต่อเขาก็มาทำอะไรที่ดีต่อไปเะฉะนั้นคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์จึงมีทั้งดีและไม่และไม่ดีคุกเข่ากันไปแต่คนที่ไม่ดีก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นคนดีได้และคนที่ไม่คนที่ดีก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นคนไม่ดีได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม ถ้ามาเกิดในสิ่งแวดล้อมที่ดีก็อาจจะได้รับสิ่งแวดล้อมห ล, อล่อร้อมจิตใจให้เป็นดีได้ถึงแม้ว่าดีจะไม่ดีแต่พอได้อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีเช่นมาอยู่กับครอบครัวที่ธรรมะธรรมโมทำบุญทำทานเป็นประจำไปวัดเป็นประจำก็จะพาลูกหลานไปวัดกันลูกหลานเมื่อได้ไปก็จะติดนิสัยใหม่ขึ้นมาได้ ในทางตรงข้ามถ้ามาเกิดในบ้านที่ไม่ธรรมะธรรมโมบ้านที่ชอบเสพประบายย ม, มุกเล่นการพนันเดิมสุรายาเมาทำบาปโกหกหลอกลวงประพฤติผิดตรงนี้ชอบโกงรัดทรัพย์เนี่ยถึงแม้อดีเคยเป็นคนดีก็อาจจะถูกสิ่งแวดล้อมไม่ดีหลอหลอมให้กลายเป็นคนไม่ดีไปก็ได้ยกเว้นคนที่ดีในสันดานแล้วหรือชั่วในสันดานแล้วนี้ สิ่งแวดล้อมก็จะมาเปลี่ยนไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้านี่ดีในสันดานนะถึงแม้จะมาเกิดเป็นกษัตริย์ก็ไม่อยู่เป็นมหาจากักรพรรดิเพราะจะมุ่งไปสู่การเป็นพระสู่การบวชสู่การบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพราะท่านเคยสะสมความดีในทางนี้จนเป็นสันดานจะให้ท่านไปลบลาฆ่าฟันทำศึกสงครามนี้ถ้าไม่ไป ท่านยอมอยู่แบบลําบากอยู่แบบขอทานเพื่อรักษาศีลเพื่อปฏิบัติธรรมดีกว่าอยู่แบบเจ้าชายอยู่อย่างสุขสบายแต่ต้องไปทําสงครามต้องไปฆ่าฟันกันเหอเพราะในสันดานท่านไม่มีในเรื่องของการฆ่าฟันผููอันนี้ก็เป็นเรื่องของนิสัยที่ติดตัวมาแต่ละคนถ้ามันเป็นสันดานแล้วนี้สิ่งแวดล้อมนี้จะไม่ค่อยมีผลต่อต่อ บุคคลนั้นแต่ถ้ายังเป็นนิสัยนี่ยังอาจจะมีโอกาสที่เปลี่ยนได้อาจารถึงสอนว่าการได้มาการได้มาพบบัณฑิตไม่คบคนผานนี่ก็เป็นบุญอย่างยิ่งเป็นมงคลอย่างยิ่งก็ บ, บัณฑิตก็คือครบคนดีคนฉลาดครบคนผานก็คือคนโง่คนไม่ดีคนทำบาป ท, ทำกรรม เห็ถ้าเรามาเกิดในอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเราก็พยายามปิกตัวออกมาเสียถ้าอยู่กับคนที่ชอบเดือดร้อนเล่นการประ น, นทํทำบาปทำกรรมก็อย่าไปคบค้าสมาคมกับเขาถ้าคบก็อย่าให้เขามีอิทธิพลดึงลาไปในทางของเขาคบกันได้เป็นเพื่อนกันได้แต่อย่าไปทำกิจกรรมร่วมกันถ้าเป็นกิจกรรมที่เสียหายที่ไม่ดี คำถามฝากถามนะครับเวลาสวดมนต์แล้วทำไมรู้สึกเหมือนหูดับแล้วไม่ได้ยินเสียงที่เราสวดเป็นเฉพาะช่วงที่สวดมนต์ครับมันก็บางทีจิตมันไม่ไปคิดเรื่องอะไรจิตมันก็สงบชั่วคราวตอนนั้นมันก็มันก็ไม่รับรู้อะไรเหมือนเสหูดับตับไม่ไปจากคุณ น, นกรักนะครับ การที่เราไปบวชโดยที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่จะเป็นบาปไหมคะจะบาปตรงไหนพระพุทธเจ้าก็บวชตอนพ่อยังมีชีวิตอยู่ถ้าไม่บวชถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาเกิดให้พวกเรากราบไหว้บูชากันได้อย่างไรการบวชนี้ไม่เป็นการทำบาปเป็นการทำบุญที่สูงสุดจะได้ซ้าไปสูงกว่าการทำบุญตักบาสูงกว่าการรักษาศีล การบวชนี่ไปรักษาศีลด้วยไปปฏิบัติธรรมด้วยคำถามจากคุณนิ่มนะครับชอบซื้อปลาจากตลาดไปปล่อยแม่น้ำลำคองตอนปล่อยมนความภูมิใจน้อยๆได้ช่วยชีวิตเขาไม่ให้ถูกฆ่าแต่พอกลับมาก็มีความห่วงน้อยๆว่าเขาจะพอใจหรือเปล่าเขาจะปลอดภัยหรือไม่แต่เจตนาหนูคืออยากให้เขารอดจากมีเถียงแต่ก็ยังคิดอีกทางหนู ไปปล่อยให้เขาไปเจอสิ่งไร้ร้ายหรือเปล่าคือไม่รู้ใต้น้ําจะปลอดภัยหรือไม่หนูควรปล่อยปลาต่อไปดีหรือไม่เจ้าคะเขาจะทราบเจตนาดีของหนูหรือไม่เจ้าคะหนูอยากช่วยเขาแต่ถ้าหากเขาไม่ปลอดภัยจากการที่หนูปล่อยไปหนูจะบาปหรือไม่คะอ๋อเรื่องปล่อยปลานี้ไม่บาปหรอกเป็นบุญเพราะว่าถ้าเรา เป็นปลาแล้วใครมาปล่อยเราเราก็คงจะดีใจกันถึงแม้ว่าจะต้องไปตายดาบหน้ามันก็ยังดีกว่าติดคุกติดตารางและตายในวันสองวันนี้เพราะฉะนั้นการไปถ่ายชีวิตของผู้นี้มันดีอย่าไปกังวลถึงอนาคตของเขาเพราะว่าเป็นเรื่องปกติของคนเราทุกคนแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้น อาจจะพบกับภัยอาจจะพบกับอันตรายหรือถึงกับเสียชีวิตไปก็ได้ทุกคนนันั้นนี่เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาขอให้เราคิดว่าเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ถ้ายังมีโอกาสที่จะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปเจอคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีเงินรักษาพาไปหาหมอพาไปรักษาอย่างนี้ก็พาไปอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องตายแนละ้วไม่ต้องไปทําอะไรอันนี้ก็ไม่ถูก ช่วยเขาแล้วก็ไปกังวลว่าเดี๋ยวเขาจะได้โอวกวาสที่เราได้ช่วยเหลือเขาก็ไม่ถูกอีกมองว่าตอนที่เราช่วยเขาเนี่ยเขาดีกว่าที่เขาเป็นอยู่ส่วนอนาคตของเขาเนี่ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมของเขาไปจต่คุณพยอมนะครับเวลาที่เราป่วยการจะนั่สมาธิ ควรปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะจึงจะได้แนวทางที่ถูกต้องก็เหมือนกับตอนที่เราไม่ป่วยเหมือนกันเพรร่างกายไม่เกี่ยวกับการปฏิบัตินั่งสมาธิการนั่งสมาธินี้ต้องมีสติเท่านั้นแหละถึงจะเกิดผลขึ้นมาได้ยิ่งนั้นถ้าเรามีสติไม่ว่าเราจะป่วยไม่ป่วยเราก็สามารถที่จะนั่งสมาธิหรือนอนสมาธิได้ถ้าเราไม่สบายเราลุกขึ้นมานั่งไม่ได้เราก็นอนสมาธิไป นอนไปแล้วก็พุโทโธพุธโทโธไปอาจจะหลับหรืออาจจะสงบก็ยังดีกว่านอนแบบทรมานคนที่ทำสมาธิไม่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะทุกข์ทรมานใจด้วยเพราะใจมันก็จะอยากจะหายใจก็คิดวิตกกังวลไปต่างๆนาน า, น า, นานแต่ถ้าเรามีสติควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆ ใจสงบหรือหลับก็ยังสบายกว่าตื่นแล้วก็ต้องมาทรมานกับความคิดต่างๆของเราถ้ามีสติดีๆนอนสมาธิก็ไม่หลับหรือจะหลับก็ไม่เป็นปัญหาเลยอย่างน้อยก็ช่วยบรรเทาดีกว่าตื่นแล้วมานั่งวิตกกังวลมามาหวาดกลัวกับคาการเจ็บไข้ได้ป่วยของตนมาทุกข์ทรมานกับความเจ็บไข้ได้ป่วยจะคุณพลพิทักษ์นะครับ การนอนสมาธิแล้วภาวนาพุโทโธเราจะได้อานิสงส์เหมือนกับนั่งสมาธิใหม่ครับถ้านั่งมันจะดีกว่าเพราะโอกาสที่จะหลับมันน้อยกว่าถ้านอนนี่โอกาสที่มันจะหลับมันมีมากกว่าแต่ในพูดถึงกรณีที่ไม่สบายจริงๆแล้วนั่งไม่ได้ก็นอนสมาธิไปก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยจากคุณชนะตรงนะครับพวกที่ศรัทธาแล้วปฏิบัติตามได้เลย ถือว่ามีสัมมาทิฏฐิเป็นมีนิสัยเดิมมาก่อนหรือเปล่าคะก็ไม่แน่หรอกอาจจะมีปัญญาที่พอฟังอะไรแล้วเข้าใจอย่างง่ายได้พอพระเจ้ า, าสอนให้ทำอะไรก็ทำตามเลยเช่นมีชายคนหนึ่งที่ขอให้พระเจ้าทรงแสดงธรรมในขณะที่บินทบาทพระพุทธเจ้ า, าก็บอกตอนนี้ไม่ใช่เวลาไม่สะดวก เขาก็ขอแล้วด้โปรดเถิดขอให้แสดงสั้นๆนก็อย่างดีพรบองค์ต่าง ก, ก็บอกว่าเวลาเธอเห็นอะไรก็ให้สักแต่ว่าเห็นเวลาได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินรู้อะไรก็ให้สักแต่ว่ารู้เท่านี้เขาก็เข้าใจละเขาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้แสดงว่าเขามีความฉลาดเข้าใจเขารู้หลักของใจเขารู้จักใจว่าเป็นอย่างไรพวกเรานี้ฟังแล้วยังไม่เข้าใจ หมายความว่าไงวะเห็นให้สักแต่ว่าเห็นคือเห็นแล้วอย่าไปปรุงแต่งเวลาเห็นอะไรอย่าไปชอบอย่าไปชังขึ้นมาเนี่ยปรุงแต่งแล้วเห็นแล้วต้องเฉยเฉยเห็นก็เห็นดีก็เรื่องของเขาไม่ดีก็เรื่องของเขาเราไม่เราไม่เกี่ยวด้วยให้เห็นเฉยเฉยเป็นเหมือนหยดน้ําบนใบบัวอะไรย่างเง้ยไม่ซึมซาบเข้าหากันแล้วพวกเรามันเหมือนกระดาษซับกับหยดน้ํา พอหยดน้ำหยดเข้าไปนี่มันซึมกันเป็นเนื้อเดียวเลย mm hmm. เห็นอะไรก็เป็นไปกับสิ่งที่เราเห็นเลย mm hmm. เห็นอะไรที่เราไม่ชอบ mm hmm. ก็โกรธไปกับเขาเลย mm hmm. เห็นอะไรที่เรารักก็ดีใจไปกับเขาเลย mm hmm. ใจมันไปถ้าเราไม่ต้องการให้ใจเราวุ่นวายใจเราทุกข์เราต้องแยกใจเราออกจากเหตุการณ์ต่างๆให้ดูเฉยๆให้รู้เฉยๆ mm hmm. แล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์ ข้อที่สองทำอย่างไรให้คนที่ยังไม่ศรัทธาและยังไม่ปฏิบัติสนใจและเห็นคุณค่าในพระพุทธศาสนาบางส่วนไม่ทราบหรือไม่เชื่อว่าเกิดมาเจอของยากการฟังธรรมจากครูบาอ า, า, าจารย์จะช่วยให้เขามีสัมมาทิฏฐิได้ไหมครับก็ต้องหาครูบาชวนเข้าไปฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระปฏิบัติเดปฏิบัติชอบหรือมีหนังสือซีดีของครูบาอาจารย์ก็ให้เขาเรือ ทิ้งไว้อยู่ในบ้านของเขาอะไรเผื่อวันดีคืนดีเขาไม่รู้จะทําอะไรเขาอาจจะหยิบขึ้นมาอ่านหรือ ม, มาเปิดฟังก็ได้แต่การที่จะไปเคี่ยวเข็นบังคับนี้จะไม่เป็นผลกลับจะทําให้เขาต่อต้านดะงนั้นเราไม่ควรที่จะไปเขี่ยวเข็นบังคับควรจะหวานล้องด้วยอุบายวิธีเจนอาจจะขอร้องให้เขาไปเป็นเพื่อนอยากจะไปวัดแต่ เป็นผู้หญิงไปคนเดียวไม่ดีช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมอ่าเนี่ยเขาอาจจะไปเพื่อเราไม่ได้ไปเพื่อฟังธรรมแต่เมื่อไปแล้วก็ได้ฟังธรรมด้วยถ้าเขาตั้งใจฟังเขาก็อาจจะได้รับอะไรที่เขาไม่เคยได้รับมาก่อนแล้วก็อาจจะเกิดศรัทธาขึ้นมาก็ได้หมืออย่างที่พ่อแม่เนี่ยบางทีไม่เคยเข้าวัดเลยแต่พอลูกบวชก็เลยต้องมาวัดเพราะห่วงลูก ต้องมาใส่บาตรพอมาใส่บาตรที่วัดเขาก็มีการแสดงธรรมก็ฟังเทศฟังธรรมกันไปจนเกิดศรัทธาหลังจากลูกบวชแล้วพ่อแม่ก็เลยมาวัดเป็นประจำเป็นปกติอันนี้ก็เกิดจากเหตุการณ์หว่านล้อมไปไม่ได้บังคับให้มาถ้าบังคับให้มาแล้วมันจะต่อต้านเหมือนยิ่งห้างก็ยิ่งยุ เนั่นก็ต้องฉลาดถ้าเราอยากจะสอนคนเราต้องใช้หาอุบายวิธีสอนบางทีพูดตรงๆแล้วเขาจะไม่ชอบเขาจะเขาจะไม่รับต้องหาอุบายใช้กับใครก็ได้ใช้กับคนที่พ่อพ่อแม่หรือใครที่เขาไม่ชอบทำนะก็ใช้อุบายพ่อแม่ก็ใช้อุบายกับลูกได้มาเป็นเพื่อนแม่หน่อยแม่จะมาวัดนี่ดึงลูกมา ธรรมดามันไม่อยากจะมาแต่เพื่อแม่มันก็จะมาคำถามจากทาง u t u b e นะครับตอนนี้ผมทำงานแล้วไม่มีความสุขเลยครับเจ้านายตำหนิตลอดโทษแต่ผมแบบนี้เรียกว่าวิภวปัญหาใช่ไหมครับแต่พอคิดว่าจะลาออกกับใจโลง่งแต่อีกใจหนึง่งก็ห่วงและเสียดายที่ลาบยศที่เจ้านายมอบให้ขอให้พระอาจารย์แนะนาด้วยครับ ลาออกดีไหมอยู่ไปก็ไม่สบายใจเลยครับและเสียเวลาทำสมาธิและปฏิบัติธรรมเพราะปัจจุบันหลับตานั่สมาธิทีไยก็มีแต่เรื่องงานแทนที่จะอยู่กับลมหายใจและความสงบนิ่งก็อยู่ที่พลังธรรมของเราว่าเรามีมากมีน้อยถ้าเรามพีพลังธรรมมากเราก็ทิ้งงานได้เพราะเราไม่ต้องพึ่ง ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการทํางานแต่ถ้าเรามีพลังทำน้อยเรายัางต้องพึ่งผลประโยชน์จากการทํางานอยู่เราก็จะไปะยากะงั้นเราจะรู้กําลังของเราเองถ้าถามนี่แสดงว่ายังมีกําลังไม่พ อ, องั้นก็พยายามปฏิบัติทำให้มากขึ้นหาเวลาว่างๆมาปฏิบัติมานั่งสมาธิแทนที่จะไปเที่ยวเตยไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ไปอยู่วัดน วันช่วงวันหยุดอะไรอย่างนี้แทนที่จะไปเที่ยวก็ไปอยู่วัดไปฝึกสมาธิไปปฏิบัติไปฟังเทศฟังธรรมถ้าทาบ่อยๆขึ้นเดี๋ยวธรรมะ ก, ก็จะมีกำลังมากขึ้นแล้วต่อไปก็จะไม่ต้องพึ่งผลประโยชน์ที่ได้จากการทำงานเราก็สามารถลาออกจากงานได้เลยจากคุณอภรรกวัดนะครับ คนที่เป็นอัลไซเมอร์จะมีสภาวะของการไม่รับรู้อารมณ์และความรู้สึกใดๆเช่นไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอย่างนี้จะเรียกว่าเขามีสภาวะธรรมหรือเปล่าคะ <c oughs> เพราะว่านิพานก็คือการดับเย็นเช่นเดียวกันใช่ไหมคะไม่หรอกนิพานนี้เป็นคนที่มีสติสมประกอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่คนเป็นอัลไซเมอร์นี้ไม่รู้อะไรมันคนละเรื่องกันคนละอย่างกัน จากคุณนาลานะครับศาสนาทางวัตถุมันเสื่อมป่อยมันศาสนาภายในจิตใจอย่าได้เสื่อมก็แล้วกันคือทางศีลภาวนาจเจริญปัญญาคิดแบบนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องจากหลักศาสนาพุทธใหม่ครับนั่นแหละอย่างที่เทศวันนี้ศาสนามีทั้งเปลือกมีทั้งเนื้อถ้าต้องเลือกก็เอาเนื้อก่อนเอาทานศีลภาวนาแต่ถ้า เอาทั้งสองอย่างได้ก็ก็เอาทั้งสองอย่างมีเปลือกด้วยก็ดีมีเนื้อด้วยก็ดีมีวัดวาอารามทช่มีผู้ปฏิบัติได้อยู่ปฏิบัติอย่างสะดวกสบายก็ดีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะสมัยที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญก็ไม่มีวัดวาอารามพระพุทธเจ้าก็ใช้ป่าเขานี้เป็นวัดวาอารามเป็นที่ปฏิบัติ จักครูศิริพรนะครับถ้าเกิดความกลัวเช่นเห็นภาพหรือนิมิตหรือบรรยากาศในขณะปฏิบัติธรรมควรทําอย่างไรให้สามารถปฏิบัติต่อไปได้เจ้าคะก็ให้อยู่กับสติให้มีสติอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปเลื่องดูลมหายใจไปการนั่งสมาธิถึงย้ำอยู่เรื่อยๆว่าอย่านั่งเฉยๆอย่านั่งดูจิตเดี๋ยวจิตมันจะสร้างภาพมาหลอกมาหลอนเราได้เวลานั่งต้องมีสติกํากับจิตไม่ให้จิต มุงแต่งต้องมีพุโทโธพุโทโธไปหรือมีการดูลมหายใจไปแล้วภาพต่างๆจะไม่ปรากฏขึ้นมาหรือถ้าปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจให้เกาะติดอยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมหายใจไปแล้วใจจะไม่วุ่นวายใจจะไม่เดือดร้อนแล้วเดี๋ยวภาพเหล่านั้นก็จะหายไปจากคุณพลพิทักษ์นะครับผมสวดมนต์รักษาศี่ห้าและนั่งสมาธิเป็นประจำ และพิจารณาอสุธาล่างกายนี้ไม่ใช่ของเราทุกขังอนิจจังอนัตตาเป็นประจำผมจะมีโอกาสเป็นพระอริยบุคคลได้ไหมครับก็อยู่ที่เราตัดความอยากได้หรือไม่เช่นถ้าอยากเป็นพระโสดาบันต้องตัดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายให้ได้คือไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตาย พร้อมให้ร่างกายแก่พร้อมร่างให้กายเจ็บพร้อมให้มันตายได้ทุกเวลานาทีการสวดมนต์ก็ดีการรักษาศีลก็ดีเป็นการสร้างกำลังให้เกิดกำลังที่จะสู้กับความอยากที่มีอยู่ในใจยังก็ต้องทดสอบดูว่าเราสามารถหยุดความอยากต่างๆได้หรือไม่ตอนต้อเอาความอยากง่ายๆก่อนเช่นอยากไปเที่ยวอยากไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายก็ ลดมันลงก่อนสาวิติแทนที่จะไปเที่ยวก็ไปวัดกนเดยวไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมแทนทำอย่างนี้ไปก่อนแล้วต่อไปก็จะมีกำลังมากขึ้นไปที่จะละความอยากที่ยากขึ้นไปตามลำดับนะจุนซอซนะครับการนั่งสมาธิกับการสวดมนต์ต่างกันอย่างไรเจ้าคะการสวดมนต์ก็เป็นการนั่งสมาธิขั้นขั้นต้นคือบางทีเรานั่ง เราไม่มีสติกำลังพอที่จะดูลมหายใจหรือพุโทโธเราก็สวดมนต์ไปก่อนการสวดมนต์นี้เป็นการสร้างสติเป็นการาหยุดความคิดต่างๆให้มันเบาลงเบาบางลงตอนต้นเรามานั่งนี้ใจเราจะคิดวุ่นไปหมดเลยให้ดูลมนี่ดูไม่เห็นลมเลยมีแต่เรื่องนู่นเรื่องนี้เต็มใจถ้าเป็นอย่างนั้นเราดูลมไม่ได้พุโทโธไม่ได้เราก็สวดมนต์ไปก่อน สวดมนต์เพื่อมาทำให้ความคิดต่างๆมันเบาบางลงไปพอสวดไปสักระยะนึ่งเราใจจะรู้สึกสบายเย็ยนไม่คิดถึงเรื่องอะไรแล้วก็นั่งดูลมต่อไปก็เป็นการฝึกสมาธิเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ไม่สามารถที่จะนั่งดูลมหายใจหรือพุโทโธได้ก็ต้องใช้การสวดมนต์ไปก่อนจะคุณชนะตรมครับการซื้อแฟนชาขายไก่ย่าง ไก่ทอจากบริษัทใหญ่ๆเราจะมีส่วนทำให้ไก่ตายไหมเพราะเราไม่รู้ว่าเขามีสตอรไก่ที่ตายอยู่แล้วหรือเขาจะฆ่าเพื่อเราเ อ, อ๋อเรื่องมีส่วนไม่มีส่วนไม่เป็นหาปัญหาคืออย่าเราอย่าไปฆ่าเองแล้วไปสั่งให้เขาฆ่าเท่านั้นเองถ้าสั่งไก่ล่วงหน้านี้ก็เหมือนกับไปสั่งให้เขาฆ่าล้ะถ้าจะขายขายไก่ก็ต้องไปซื้อที่ตลาดแล้ว แ, แต่ดวง อันนี้มีไก่ขายกี่ตัวก็ซื้อมาขายเท่านั้นแต่ถ้าเราสั่งพ่อค้าไว้่วงหนะ้าว่าจะต้องเอาไก่กี่ตัวอย่างนี้เท่ากับสั่งให้เขาฆ่าให้เราบาปเกิดจากการทําเองก็ดีหรือสั่งให้เขาทําให้เราก็ดีถือว่าบาปเหมือนกันอย่างนั้นถ้าเราอยากจะทําอาชีพก็อย่าไปทำอาชีพที่จะต้องมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยขายขนมดีกว่าขายอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิต จะคุณอภิรักนะครับถ้าเรานั่งพิจารณาหาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ในขณะที่มีปัญหาทันทีโดยไม่ได้รอพิจารณาหลังจากออกจากการนั่งสมาธิหรือสมาธะภาวนาจะถือว่าเป็นการทาวิปัสสนาใหม่ครับคือวิปัสสนานี้มีลอกสอลักษณะคือทําแบบการบ้านแล้วทำแบบข้อสอบทำแบบข้อสอบก็คือพอออกจากสมาธิมาเมียก็ด่าเลย อันนั้นก็ต้องใช้ปัญญาหยุดความโกรธที่เกิดจากการได้ฟังเมียดา่าพอกอไม่เป็นไรปากของเขาเราห้ามเขาไม่ได้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ก็วิปัสสนาแบบทำข้อสอบเลยเจอเหตุการณ์จริงก็ใช้วิปัสสนาเลยถ้าเป็นแบบทำการบ้านก็คือออกมาเมียยังดีอยู่ยังยิ้มแย้มแจ่มใสยังทักทายอยู่ก็ให้คิดว่าเผื่อวันไหนเขาโกรธเราเมื่อไหร่เขาจะดาะ่าเรา เราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่าไปโกรธเขาเราต้องปล่อยให้เข า, เาด่าด่าเร า, เ อ, าอันนี้ก็เป็นการซ้อมไว้ก่อนพิจารณาล่วงหน้าไว้ก่อนกับเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดแต่อาจจะเกิดขึ้นเช่นพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายที่ยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้แต่มันต้องเกิดขึ้นต่อไปร่างกายของเราต่อไปมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เวลามันแก่มันเจ็บมันตายเราอยู่กับมันได้หรือเปล่าเรารับมันได้หรือเปล่าถ้ารับไม่ได้เราก็ต้องพยายามสอนใจให้รับให้ได้เพราะรับไม่ได้ก็จะทุกข์ถ้ารับได้ก็จะไม่ทุกข์อันนี้เป็นการทําการบ้างวิปัสสนามีสองแบบถ้าเป็นแบบเจอข้อสอบเคย อ, ออกมาปปวดท้องไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งเหลือสามเดือนอันนี้ก็ดูซิว่าทําใจได้หรือเปล่ายอมยอมตายได้หรือเปล่า ถ้ายอมได้ก็เป็นวิปัสสนาเป็นทำเป็นการทําข้อสอบเะฉะนั้นการเจริญปัญญาจึงมีสองลักษณะแบบทําการบ้านเตรียมตัวไว้ก่อนแล้วแบบทําข้อสอบเวลาออกมาแล้วเจอทุกข์ก็ต้องใช้ปัญญาดับความทุกข์นั้นให้ได้ด้วยคาสาเหตุคือความอยากว่ากําลังอยากกับเรื่องอะไรแล้วหยุดความอยากนั้นได้โดยยอมรับความจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้มันก็จะไม่ทุกข์ จากคุณสติเฟื่องนะครับคารว่งาสามารถถือสินแปดแปดไม่นุ่งขาวผอมขาวไปทำงานปกติดได้ไหมครับได้สินแปดไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าศินแปดอยู่ที่กายวาจาอยู่ที่การกระทําทางกายทางวาจาคาถามจากคุณแรงนะครับานอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีแก้ไขให้จิตผ่านสภาวะคือตอนนี้ภาวนาโดยมีจิตตั้งรู้อยู่ แต่รับคลื่นต่างๆจากภายนอกซึ่งทาให้ร่างกายแน่นและได้ยินเสียงต่างๆตลอดเลยครับก็อย่างที่บอกอย่านั่งเฉยๆต้องมีสติต้องมีพุโทโธพุโทโธกลับกับใจลืมมีการดูลมหายใจเข้าออกหรือจะสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ต้องมีอะไรควบคุมใจอย่าปล่อยให้ใจอยู่เฉยๆเหมือนกับเด็กใจเหมือนกับเด็กถ้าไม่มีพี่เลี้ยงเดี๋ยวเด็กมันก็ไปเล่นไปทําอะไรให้เกิดความเสียหายได้ ถ้ามีพี่เลี้ยงก็คอยเฝ้าดูอพอเด็กจะไปทำอะไรไม่ดีก็ดึงกลับมาสติก็เป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงที่จะคอยดูใจที่ชอบไปคิดปรุงแต่งแล้วก็ไปสร้างความวุ่นวายใจให้เกิดขึ้นถ้ามีสติมันก็จะไม่สามารถที่จะไปคิดไปสร้างเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาได้ใจก็จะสงบการนั่งสมาธินี่เราไม่ต้องการเห็นอะไรไม่ต้องการรู้อะไร เราต้องการควบคุมใจให้สงบสมาธิคือความสงบตั้งมั่นของใจส่วนวิปัสสนานี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งคนละเรื่องกันถ้าวิปัสสนานี้เราต้องสอนใจให้ฉลาดให้รู้ว่าสิ่งที่เรากาลังเกี่ยวข้องด้วยนี้มันเป็นเหมือนยาพิษไม่ใช่เป็นขนมหวานแต่เรากลับไปมองเห็นว่ามันเป็นขนมหวานเห็นรูปเสียงกลิ่นรสว่าเป็นสุขแต่ความจริงมันเป็นทุกข์แต่เรามองไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ พอเราไม่ได้มองเวลาที่มันเสื่อมเราชอบไปมองเวลาที่มันเจริญเวลาที่ได้มาโอ้ยเราสุขแล้วเกินได้ไปเที่ยวไปอะไรมาแต่เวลากลับมาบ้านมันหายไปหมดแล้วเวลานั้นมันเสื่อมไปหมดแล้วเวลาความเหงาความเศร้าส้อยว้าเวย ก, ก็กลับมาใหม่อันนี้เราต้องมองต้องสอนใจว่าการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสมันจะนำไปสู่ความเศร้าส้อยหงอยเหงาว้าเวเพราะว่ามัน พอไปเที่ยวกลับมาบ้านมันก็หมดไปแล้วพออยู่บ้านไม่มีอะไรให้เราเที่ยวแล้วก็เศร้าสน้อยงาแก็อยากจะไปเที่ยวใหม่ถ้าไม่ได้เที่ยวก็ยิ่งทุกข์ใหญ่เนีย่ยให้เห็นทุกในทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือวิปัสสนาอันนี้เราต้องสอนสอนใจให้มองเห็นเห็นทั้งการขึ้นและการลงของสิ่งต่างๆมองเห็นการเจริญและการเสือ่อมมองเห็นการเกิดและการดับของสิ่งต่างๆ มันจะทำให้เราเห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆแล้วจะทำให้เราไม่อยากจะได้สิ่งต่างๆทำให้เราอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรได้อันนี้เรียกว่าวิปัสสนาคนละเรื่องกันอย่างกระดานั่งสมาธินี้ไม่ให้คิดแม้อะไรทั้งนั้นให้หยุดคิดให้ให้จิตว่างจิตสงบให้จิตสักแต้วารู้อย่างเดียวจากคุณนันทนานะครับ ขณะนั่งสมาธิมีอาการเหมือนรอบๆตัวสว่างเหมือนแสงจันทร์ข้างขึ้นแต่รู้ตัวว่าหลับตาอยู่จิตจะนิ่งๆอาการนี้คืออะไรคะก็อนิจจังทุกขังอนัตตานะพระเ จ, จ้าบอกเห็นอาการแล้วอย่าไปสนใจว่ามันเป็นอะไรให้รู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตก็พอหรือว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วเดี๋ยวดับถ้าไปรักไปชอบมันเดี๋ยวเวลามันดับก็จะทุกข์ หรือว่าถ้าไปเจอที่เราไม่ชอบก็อยากจะให้มันดับมันไม่ยอมดับเราก็จะทุกข์อีกนหเราต้องรู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเกิดขึ้นของมันเองแล้วมันจะดับของมันเองเราไปสั่งไปห้ามมันไม่ได้แต่เราไม่ต้องวุ่นวายกับมันได้โดยที่เราไม่ต้องไปสนใจเรากลับมาอยู่ที่พุทโธพุทโธของเราไปจากคุณพยมรับนะครับผู้หญิงที่ปฏิบัติวิปัสสนาต่อเนื่องยาวนาน มีโอกาสเป็นอรหังหรือไม่ได้ทั้งนั้นนะถ้าปฏิบัติทั้งวิปั ส, สนาและทั้งวิสมาธิถ้าวิปั ส, สนาอย่างเดียวก็กลายเป็นวิปัสนาโนได้ถ้าไม่มีสมาธิมันก็จะหลงมันต้องมีทั้งสมถาภาวนาและวิปั ส, สนาภาวนาสนับสนุนกันมันถึงจะบรรลุธรรมได้จะคุณสุรเดชนะครับผมนั่งสมาธิแล้วพิจารณาความว่าง รู้สึกดีบางคืนนั่งได้จนเกือบรุ่งเช้าแบบนี้ดีใหมครับคือไม่ต้องพิจารณาความว่างหรอกความว่างมันมีอะไรเราพิจารณาก็ให้รู้ว่ามันว่างเท่านี้แล้วพยายามประคับประคองใจให้อยู่ในความว่างไปนานๆเพราะความว่างนี้มันจะทําให้ใจเราวางปล่อยวางได้นิ่งเฉยได้เพราะความว่างนี้มันมีความสุขในตัวของมันทําให้เราไม่หิวโหยกับความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรส ถ้าเรามีความว่างมากๆภายในใจเวลาออกมาใจเราจะเฉยจะไม่หิวไม่โหยกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆคนจะทำอะไรเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะรู้สึกเฉยๆไม่เดือดร้อนนั้นพยายามให้มีความว่างอยู่ภายในใจให้มากๆนานๆเวลานั่งสมาธิหมดหรือยังหมดแล้ว ค, ครับครับคุณพีนะครับทาคาสอนต่างๆล้วนแล้วลงมา รวมลวงมาที่ตัวเราข้อความนี้เข้าใจถูกต้องหรือเปล่าครับทุกอย่างก็ทํามาเพื่อตัวเราทั้งนั้นแหละเราไปทําเพื่อคนอื่นที่ไหนล่ะเราไปเหมือนคนไข้เนี่ยทรมาก็เหมือนยารักษาโรค ก, กินยาก็เพื่อรักษา <c oughs> โรคภัยของเราเราไม่ได้กินยาเพื่อไปรักษาโรคภัยของคนอื่นเราปฏิบัติธรรมก็เพื่อที่จะมารักษาใจของเราที่มีแต่ความทุกข์นี่ให้มันหายทุกข์เท่านั้นเองพอเราหายทุกข์แล้วทีนี้เราก็ไปช่วยสอนคนอื่นต่อไปได้ แต่เรื่องต้นนี้เราทำเพื่อตัวเราก่อนเอาแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิศพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ